ทำกันหลวพอจะพูดให้ฟังท่านทหลายก็ฟังให้ผู้ฟังมีผู้พูดฟังแล้วนําไปทําไปประกอบไปสัมผัสไม่ใช่ไปจาําเมาการจําในมันได้ของปลอมธรรมะมันต้องเป็นการพบเห็นสัมผัสจากกายจากกิจไม่ใช่คิดเห็นเป็นการพบเห็นจึงเป็นปัจจิตตัง คำสอนของพระพุทธเจ้าเนะี่ยมันเป็นปัจจัดตังรู้ได้เฉพาะผู้ที่สัมผัสสัมผัสกับความรู้สึกตัวเอากายไปต่อไปจุ่มเอาให้เกิดความรู้สึกตัวจิตใจก็รู้สึกตัวอะไรที่มันเกิดขึ้นกับกายกับจิตเทียนพยายามที่จะให้มันเกิดความรู้สึกตัวเพราะความรู้สึกตัวเป็น ที่เกิดของศีลของธรรมของบุญของกุศลมืนกับแผ่นดินเป็นที่เกิดของวัตถุสิ่งของต่างๆสัจจะลาสิ่งมันเป็นฐานมันเป็นวัตถุอาการอันกายใจของเราเนี่ยเอามาปลูกสติแล้ววิธีที่เราปลูกสติให้มันเกิดให้มันมีนี่ สามหลักก็เรียกว่าภาวนาภาวนาก็คือการขยันขยันรู้ไม่เฉยไปหลับหูหลับตานั่งอยู่เฉยเฉยนั่งอยู่เฉยๆก็รู้ได้เพราะว่ากายของเราใจของเราสามารถที่จะกำหนดส่วนไหนก็ได้ลมหายใจพริบตาตืนน้ำลายสามารถที่จะรู้ได้ เราจึงขยันสร้างความรู้สึกตัวให้มันมีให้มันมากแต่มันไม่มีมันก็จนจนจนจนอลียทรั์จึงโกรธจึงโลภจึงหลงจึงทุกข์สมัยทุกวันนี้เขาพัฒนาแล้วแต่มดดัวแต่โกรแต่โกรธแต่ทุกข์อยู่มันล่าสมัยแล้ว เขาไปกันไกลแล้วทุกวันแน่้เขาข้ามร่วงไปแล้วก็ยังอยู่ในความโลภ ค, ความ โ, โกรธความหลงความทุกข์ความวิตกกวงวลความเศร้าหมองความยินดีความยินไล่อยู่ล่าสมัยแล้วทุกวันนเพแต่ว่าพุทธศาสนาคําสอนของพรนะเจ้าน่ะมันยกฐานะทางกิตทางวิจารณ ยิ่งพวกเราเป็นคุณครูเป็นอาจารย์ยิ่งสำคัญเหมือนกันกับพระสงฆ์เรามีอาชีพมีฐานะเหมือนกันเป็นแบบฉบับต้องมาสร้างคุณธรรมณนีให้มันเกิดขึ้นนะให้มันเกิดให้มันปีขึ้นมาเพื่อจะเอาไปบอกไปสอนคนอื่น ให้เขามีคุณธรรมให้เขาไม่เบียดเบียนเขาให้เขาไม่เบียดเบียนคนอื่นให้เขาไม่เบียดเบียนสิ่งอื่นวัตถุอื่นมันก็จึงจะเกิดสงบความสงบร่มเย็นมันก็เกิดอยู่ที่กายที่ใจเราอยู่นี่แหละกายใจของเรานี่มันไปไกลแ้วเราไม่มีคุณธรรมถ้าไม่มีความรู้สึกตัวถ้ามันเป็นถาดของความร้ง เราใช่กายทำสร้างความหลงเราใช่จิตใช่ใจให้เกิดความหลงความหลงมันก็มาอยู่กับกายกับใจของเราเราก็หลงมันเกิดอยู่กับกายกับจิตใจของเรามันก็เป็นโทษเป็นภยัย <c oughs> เกิดปัญหาจนไปสร้างตัวบทกฎหมายสร้างรัฐธรรมนูญเพื่อคุ้มครองป้องกันเออในฉนั้นสร้างคุกสร้างทราง อสร้างกองทัพสตราอาวุธเพื่อมาปราบมาปรามไม่จําเป็นแต่เรามาสร้างคุณธรรมให้มันเกิดให้มันมีขึ้นมามีความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวที่ไปอยู่กับกายมันเป็นสมบัติตันเป็นความถูกต้องกายมันต้องมีความรู้สึกตัวใจมันต้องมีความรู้สึกตัวเราได้สัมผัสกับความรู้สึกตัว แล้วสักถึ่งวันสองวัน3มวัน5วันหวันเจวันตามหลักเทพุทธเจ้าท่งแสดงส่งส่งสอนว่าผู้ใดมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวแล้ว1วันถึงเจวันเกิดอาเ น, นสงสองประการอย่างกลางหนึ่งเดือนถึงเกตเดือดเกิดอาเ น, นส่งสองประการ อย่างช้าที่สุดหนึ่งปีถึงเ็ปีเติดใ น, นสงฆ์อันในสงฆ์สองประการคือพันพระอริยบุคคลตั้งแต่พระอริยบุคคลชั้นต้นถึงเป็นพระอริยบุคคลที่สุดคือเป็นพระอริยบุคคลหรือว่าพระพุทธเป็นพระระหรันเราต้องพิสูจน์กันแล้วพุทธศาสานามีอยู่ในประเทศไทยของเรา น้อยคนที่จะมาพิสูจน์เรื่องนี้วัดปาสุกตจึงใส่ตึงตั้งว่าเป็นสถาบันสถาบันคือมาพิสูจน์เรื่องชีวิตของเราชีวิตของเรามันเป็นสถาบันไม่ควรที่จะให้มันหลงสถาบันให้เกิดความรู้สึกตัวไม่ต้องให้มันหลงมันล่มเหลวเช่น คือเปของเราหัวแต่ยินดียินไล่ไม่ใช่สถาบันจิตใจที่โกรธไม่ใช่สถาบันจิตใจที่ทุกข์ไม่ใช่สถาบันสถาบันมันต้องมั่นคงโดยพอจิตใจของเราเนี่ยถ้าจะพูดตามหลักสักหน่อยก็คือหยุดเย็นนิ่งไม่ปรุงอย่างที่เราสวดเมื่อกี้น่ยสังขารสังขารคือมันปรุงมันต้องเป็นวิสังขารคือไม่ปรุง ความร้อนมันต้องเย็นความทุกข์ problems problems. มันต้องไม่ทุกข์ความโกรธมันต้องไม่โกรธความหลงมันต้องไม่หลงมันต้องเป็นสถาบันแบบแน่ชีวิตเราเราเป็นค่าค่าของความโกรธความโลภความหลงเราเคยให้ความหลงความโกรธมานอนอยู่กับเราข้ามวันข้ามคืนอันที่ให้ความทุกข์มานอนอยู่กับเราแม้กระทั่งมันคิดก็คิดทำให้ตัวเองเก็บปวด กรตอดตัวเองคิดขึ้นมานอนไม่หลับคิดขึ้นมานำตาล่วงนำตาไหลคิดขึ้นมาแล้วโกรธความโกรธบังคับกับใสเราให้แตกให้แยกกันมันบังคับเราเอารับเรารับใช้ความโกรธความโกรธมันร้ายมันกล้าวเล่ามันดุร้ายแสดงออกในทางต่างๆ มันบังคับให้เราแตกเล่าสมัเขยทั้ทงๆ ท, ที่มันไม่บียอะไรมันไม่มีอะไรจริงๆนะเราถ้าเรามาศึกษาดูแล้วนะมันไม่มีความโกรธนะมันไม่มีจริงๆไม่มีตัวไม่ตนความหลงมันก็ไม่มีจริงๆความทุกข์มันก็ไม่มีเราไปเอาหน้ามเหลวไปคว้าน้ำเหลวรับใช่มันมันไม่มีจริงๆ นันตกอยู่ในความไม่เที่ยงตกอยู่ในความไม่ใช่ตัวตนบางทีความโกรธเกิดขึ้นจากใจของเราเรานึกว่าเราโกรธไปเอาความโกรธว่าเป็นตัวเป็นตน ว, ว่าเป็นจิตใจของเราระวังนะแต่กูได้โกรธเนี <nu? S 1> ่ยไม่ใช่คนนี้นะแต่กูได้โกรธเราตายกูก็ไม่ลืมนะแต่กูได้โกรธแล้วมึงระวังตัวดีๆนะโอ้มันไม่ใช่ตัวใช่ตนจริงๆความโกรธ เสียเปรียบความโกรธเสียเปรียบความทุกข์เสียเปรียบความหลงหลงพ่อเนขนหัวลูกรลอายุสาสิปีจะมารู้เรื่องนีนะ้มาศึกษาเรื่องนี้นะแต่ก่อนเนี่โอ้ยชีวิตเนี่ยพึ่งตัวเองก็ไม่ได้มีจิตมีใจก็พึ่งไม่ได้ค่มร้ายข่มดีค่มร้ายข่มดีเราจึงมายกบฐานะนขึ้น ในกิจมันต้องเพิ่งกิจเม่อกายต้องเพิ่งกายเอากายมาทำความดีเอากิจมาทำความดีแล้วทำความดีได้จริงๆแต่สร้างโลกสร้างโลกด้วยมือห้านิ้วสิบนิ้วของเราสร้างคเรธรรมให้เกิดขึ้นมามันก็เปลี่ยนได้นะ <c oughs> มันเลื่อนฐานะปฏิบัติธรรมแนยมันเลื่อนฐานะเจา้าความเป็นคน คนคือมันผูผูแฝบแฝบคุมไร้คุ้มดีคนเหมนมันคิดไปทางต่ําๆไหลไปทางต่ําๆคนมันคิดไปทางต่ํามนุษย์มันคิดไปทางสูงมาเลื่อนฐานะขึ้นมาเลื่อนฐานะของความเป็นคนมาเป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงอย่าให้ความโามลภโกรธโกรธลงมันถมทับได้นี่ความรู้สึกตัว ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวมันเป็นทั้งศีลเราสร้างอยู่เนี่ยมีความรู้สึกตัวแล้วไปทําบาปอะไรไหมไม่ได้ทําเลยมีความรู้สึกตัวมันรักษาศีลแล้วไม่ต้องไปสมาทานจากพระจากแก้วศีลสิกขาไม่ใช่ศีลสมาทานเป็นศีลสิกขาเป็นศีลทะลุมีความรู้สึกตัว ม, ต ม, ม, ม, มันก็ละความชั่วแล้วมีความรู้สึกตัวมันก็ทําความดีมีความรู้สึกตัวจิตมันก็บริสุทธิ์แล้ว เราไม่ไปด่าไปฆ่าใครนะมันทันทีเลยการปฏิบัติธรรมของกิกมันต้องทันทีไม่ใช่รอใช้ได้ทันทีมีความรู้สึกตัวก็ทันทีแล้วถ้ามันหลงมีความรู้สึกตัวความหลงก็หมดไปทันทีแต่มันทุกข์มีความรู้สึกตัวความทุกข์ก็หมดไปแม้ไม่หมดก็โนยหลงโนยหลงถ้ามีความรู้สึกตัวขี่ขอความทุกข์ ขี่คอความโกรธขี่คอความหลงไปไม่กี KK, ่ข้าวรู้สึกตัวรู้สึกตัวหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกตัวสร้างความรู้สึกตัวนะขี่คอความโกรธขี่คอความทุกข์ขี่คอความหลงไปไม่ได้เพราะมันไม่จริงความโกรธไม่จริงความไม่โกรธจริงกว่าเป็นธรรมกว่าความทุกข์มันไม่จริง ความไม่ทุกข์มันจริงกว่าเป็นธรรมกว่าความหลงมันไม่จริงความไม่หลงนี่จริงกว่าเป็นธรรมกว่าสัมผัสดูแล้วไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปถามใครจริงๆนะสัจธรรมต้องสัมผัสไม่ใช่จำเอาไปจาไปโฆษณาไม่ใช่สัมผัสดูแล้วได้คำตอบเข้าถึงเข้าถึงมีสัมผัสได้แ้วเป็นความ ปกติก็ปกติทันทีสังขารคือมันปรุงไว้วิสังขารคือหยุดทันทีหยุดได้ทันทีชีวิตของเราเน่ยมันเป็นมันเป็นสัตว์ประเสริฐจริงๆมันสอนได้ชีวิตจิตใจของเรามันเป็นการสอนได้หายโทษหายภัยเปลี่ยนความโลภความโกรธความหลงเป็นเมตตากรุณามุทิตตาอุเป ข, ขาเข้ามาแทน เต็มไปด้วยชีวิตจิตใจของเราก็เป็นประโยชน์ต่อโลกไปอัะเวลานี่พวกเราต้องมาช่วยกันแล้วโลกอะทำมันท่าทายพวกเรามันท่าทายความโกรธมันท่าทายความไม่โกรธความทุกข์มันท่าทายความไม่ทุกข์ความหลงมันท่าทายความไม่หลงเราไม่ต้องไปยอมมันมันท่าทาย ยิ่งความรุนแรงความอิจฉาพยาบามความที่มันเดือดร้อนเช่นความเห็นทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิมันท่าทายสัมมาทิฏฐิ่างภาคใต้เวลาแน่นะมันเดือดร้อนกันนั่นแหละอาธรรมมันท่าทายธรรมเราต้องมาสร้างกันมาประกอบมาสัมผัสไม่ใช่ไปทํามันอื่นแล้วพราเราต้องมาดู อายุตองคนตองดูแลตัวเองปฏิบัติธรรมก็คือการดูแลตัวเองปฏิบัติธรรมก็คือการช่วยตัวเองปฏิบัติธรรมก็คือกับการอยู่กับตัวเอกปฏิบัติธรรมคือการมารักตัวเองสองสารตัวเองไม่ใช่ว่าไปทำอะไรเราดูเวลาใดที่มันคิดออกไปก็กลับมาให้เป็น หลงไปกับความคิดกลับมาอยู่กับตัวเองเราอะไรที่มันทุกข์ก็กลับมาอยู่กับตัวเอ ง, ง, ut, g g อเองให้สงสารถ้าไม่สงสารตัวเองเนี่ไม่จะสงสารคนอื่นได้ยากถ้าดูแลตัวเองไม่เป็นก็ดูแลคนอื่นได้ยากแต่ช่วยตัวเองไม่เป็นก็ช่วยคนอื่นได้ยากถ้าช่วยตัวเองดูแลตัวเองรักตัวเองอยู่กับตัวเองเป็นการที่ไปช่วยไปบอกไปสอนคนอื่นได้ง่ายกว่า ก็เรามีหลักเรามีหลักนะเรามีหลักนั่นก็ถือว่าบรรยากาศวัดป่าสุโกโตโชคดีมากๆที่มีปัญญาชนหรือว่าปัญญาชนคณะครูโปรยจารย์โดยพ่อโรงเรียนสตรีเนี่ยเป็นคู่บ้านคู่เมืองของชัยภูมิของเราขอเพึ่อผาใสาพวกเรามาช่วยกันมาช่วยกันสร้างคุณนภาพคุณธรรมขึ้นมา ใมีเมตตากรุณามีสติสมชัญญะมีศีลมีธรรมขึ้นมาแล้วสร้างได้จริงๆนะนะถ้าเรามีความรู้สึกตัวไปกับกายไปกับจิตใจแล้วรู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วเมื่อสร้างความรู้สึกตัวมันก็จะมีอะไรที่ทําให้เกิดขึ้นมาได้บทได้บทเรียนได้ประสบการณ์มันไม่ใช่ไม่มีงานมีการมันไม่มีงานมีการ เราได้หลักความรู้สึกตัววังทีมันเกิดความหลงแทรกขึ้นมาแสงหน้าแสงหลังแล้วก็เปลี่ยนอะไรทุกอย่างกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวเพราะรูปแบบเนี่ยมันมันดีที่สุดแล้วทัปพุริเจ้าทรงแสดงทรงส่งสอนกายานุปัสสนาเนี่ยมีสติเห็นกายกายเราก็มีอยากรู้เมื่อไรก็รู้ได้ทันทีกับเด็กนิ้วมือก็รู้ได้ทันที คามกระดิกความรู้สึกตัวนะหรือลมหายใจเนะี่ยแก้โกรธได้ลมหายใจแก้ทุกข์ได้ลมหายใจแก้โรคได้นะเวลาปวดท้องนอนๆแรงๆลองหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกถ้าเพิ่มความรู้สึกตัวเข้าไปอนะ่าเพิ่มความรู้สึกตัวเข้าไปมันก็ใช้ได้จริงๆกายของเราเออกมาสร้างความรู้สึกตัวถ้ารู้สึกตัวโยบกไอ ย, ยมันก็เท่ากับเราปึกกิจในตัว สอนจิตไปในตัวลรารู้สึกรู้สึกรู้สึกตัวนะ่ะเรื่องใดมันคิดขึ้นมารู้สึกตัวนะกลับมารู้สึกตัวเป็นหลักเสียก่อนเวลานี่เราไม่ต้องมาใช้ความคิดเหตุผลให้มันสมกับชื่อว่ากรรมฐานวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่เป็นการกระทําเริ่มต้นจากการกระทําการกระทํามันจะลิขิตไปเองไม่ต้องไปใช่เหตุใช่ผลใช่ ไอคิวใช่ไอเดียแล้วไม่ต้องหรอกว่าแต่เรามีการกระทำให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยไม่เป็นหญิงไม่เป็นชายไม่เป็นคนหนุ่มคนแก่ไม่เป็นพระเป็นโยมเป็นสากลอยู่กับพระก็คือความรู้สึกตัวอยู่กับโยมก็คือความรู้สึกตัวอยู่กับพระพุทธเจ้าก็คือความรู้สึกตัวอยู่กับปุถุชนของเราเนี่ยก็คือความรู้สึกตัวอ่าเราหัดตรงนี้กัน เวลาบางทีมันเกิดความง่วงเอาจรินอนเราก็รู้สึกตัวมันจะเกิดอะไรขึ้นใจแจ๊ะเวลาเราสร้างความรู้สึกตัวเว่ามันมันถูกกวนนะแต่ก่อนนี่ชีวิตของเราใช่ไปตเปตปะพอเรามาใช่เป็นเรื่องเป็นรามันก็สับสนไม่เป็นไรเราจะได้บทเรียนจากมันบางทีเกิดความง่วงขึ้นมา แล้วก็พยายามที่จะรู้สึกตัวโดยรูปแบบต่างๆเวลามันง่วงจะไปนั่งหลับตาสู้กับความง่วงาจะมีเทคนิคต่างๆมองท้องผ้ามองทิศทางมองยอดไม้ตามความรู้สึกว่าเป็นกลางวันไม่ใช่กลางคืนไม่ใช่เวลานอนเขากำหนดรู้สึกตัวลอง ประสบการณ์กับความม่วงที่มันเกิดขึ้นหรือกว่าในวรธรรมอธิความคิดลังเลสงสัยเกิดขึ้นก็อย่าหลงพัดเข้าไปกับความคิดให้มันหอบพิ้วเราไปเราก็พยายามกลับมาอยู่หลักของเราฐานของเราที่ตั้งของเราให้มันมีที่ตั้งให้มันตั้งอยู่ได้นานๆอาจจะลูดไปไหนก็กลับมามันจะเก่งตอนที่เรากลับมานั่นแหละ ปฏิบัติธรรมมันเจงตอนนั้นนะตอนที่กลับม า, า, านั่งอยู่มันคิดไปก็กลับมาไม่ใช่นั่งใจลอยนั่งหลับนั่งเน่งอะไรไม่ใช่แล้ววิธีที่เราฝึกนั้นเราฝึกจริงๆภาวนาเก่งๆเอาตาต่อตากายต่อกายเก่งๆเห็นกับหูกับตาทำกับมือกับตัวเราเก่งๆไม่ใช่คิดดุนดุนเดาเดา ไม่ใช่ปฏิเสธเรื่องใดกลับมาลู่สึกตัวมันคิดก็ลู่เฉกตัวกลับมามันหลงไปก็กลับมาลู่มันทุกข์ก็กลับมาลู่อะไรที่มันแสดงออกทางกายทางกิตกลับมาลู่สึกตัวใดทางนั้นความลู่เึกตัวเป็นตัวเฉลยเรื่องของกายของกิตเฉลยได้หมดเลยเราหัดตรงนี้ก่อนนะไปใช่นั่งหลับตาไปลู่เลยมันง่าย ถ้าฝึกแบบสงบแบบมันง่ายดีหลวงพ่อเคยไปสอนที่ประเทศสิงคโปร์น่ะม็ะมีคนรุนรุ่นพวกเรานี่แล้วเขาก็โวยวายกันเขาบอวกว่าหลวงพว่อมาสอนนี่มันทุกข์มันยากลำบากก็เขาปฏิบัติทำมันสบายดีนั่งหลับตามันสงบไม่ต้องไปเคลื่อนไหวส่วนใดนั่งขัดสมาธิเพชร สองชั้นมือขวาทับมือซ้ายวางบนตักตั้งกายให้ตรงมีสติหลับตาลงไปพุทธโธพุทธโธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทรบริกรรมลงไปมันสงบนิ่งมันไม่ความสุขใ <c oughs> นรมหลวงอมาสอนในเคลื่อนไทยไหวมันปวดไหลปวดหลังปวดเอดวมาสอนไห้เดินจงกรมมันยากมันลำบาก เขาก็ว่าพ่อก็ถามว่าความสงบเวลาเราออกแก่วความสงบมันเหมือนเดิมมันยังมีความโกรธความทุกข์มีความหลงอยู่เราปฏิบัติมากี่ปีสิบปี20ปยียังโกรธยังโลภยังหลงยังทุกข์ความสงบมันเป็นความขี้เกลียดขี้คลานของชีวิตจิตใจของเราทุกคนไม่อยากทำอะไรอยากนั่งอยู่เฉย ปฏิบัติธรรมต้องภาวนาต้องมาขยันรู้ความรู้รต้องขยันไม่ใช่ไปหลับตานั่งอยูอย่เหมือนคนจะหาทรัพย์ต้องเป็นคนขยันคนขยันย่อมหาทรัพย์ได้คนเกยียจขัน้นไม่มีอะไรเพราะนั้นลองพิสูจน์ดูสิใช่ไหมบางทีเราเวลาออกจากความสงบก็เหมือนเดิมจิตใจไม่เปลี่ยนแปลงไม่ประสบการณ์ไม่ได้บทเรียนเลยเขาจึงมายอมรับมาสัมผัส ใช่ปฏิบัติมาสิบปียี่สิบปีเราเกวความสงบก็ยังเหมือนเดิมอยู่เรามีความโลภความโกรธความหลงภูภูแผบแผบางคนอ่อนแอไปเลยปฏิเสธหนีโลกไปเลยเบื่อโลกโดยไปหาอยู่ในความสงบไปซื้อบ้านไปปลูกบ้านอยู่ต่างประเทศอยู่อ๋อทุกทีเพื่อนหลวงพ่อที่ไปอยู่เนี่ย ในฐานาเด็กไปซื้อบ้านอยู่ต่างประเทศไปปลูกบ้านอยู่บางทีมันทิ้งงานทิ้งการลาออกจากงานจากการไปอยู่ในความสงบบ้านเราก็ ไ, ไปเช่าอุทยานสวนป่าอยู่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มไปอยู่ในความสงบไม่ต้องทําอย่า ง, งานั้นไปสู้ไปบอกคนไปสอนลูกศิษย์ลูกหาไปช่วยชาติหนีผู้หนีคนทุกวันนี้นะ ประเทศชาติของเรามันจะไปไม่รอดแล้วพรันนั้นหลวงพ่อไปพูดที่เจ้าจพ่อเพียแลไม่ได้พูดอะไรเพราะว่าต้องรีบไปกรุงเทพนะเดี๋ยวในประเทศไทยเราเอาไม่ทรงไปแรกเอาหัวเผือกหัวมันไปแรกเอาอะไรต่างๆจนหมดไปแล้วธรรมาชาติในบ้านในเมืองเราจรีบหายปล่ยพอดไปหมดแล้วเราจึงมาช่วยกัน ไปดูต่างประเทศเขานะ่ะสิ่งแวดล้อมเขาเป็นเจ้าของประเทศอย่างสหรัฐอาจจะไม่ต้องอาจจะไม่ใช่บูธนะอาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมในประเทศบุคคลต่างๆองค์กรต่างๆที่เกิดขึ้นในเวลาเขาต้องการตรงไหนเอาไว้ให้ประชาชนตรงบึงหนองในบึงในที่ต่างๆเขาจัดเอาไว้ให้รัฐบาลไปสร้างให้ไว้ไม่ให้ผู้มีครองอยู่แล้วไปขอคืนมา เอาไว้ให้ประชาชนเอาไว้ให้คนให้เป็นสมบัติของโลกนะอย่างประเทศไทยเราเนี่ยลังนกหนังแอน่นคนญี่ปุ่นมาสมทานเอาคนไทยไปเอามา้กินยิงตายไปเลยสิ่งเหล่านี้มันเป็นสมบัติของมนุษย์ชาติสามารถที่ใช้ได้แต่เรื่องบืองไทยของเราอาจจะเป็นของใครไปแล้วก็ได้เราจะไมาช่วยกันหนะลวงพ่อ ไ ป, ไปมาหลายประเทศแล้วเสียงแวดล้อมต่างๆเขาดีมากเลยนะอ่างประเทศสราศเนียเขาจนถือว่าประเทศอริยอาริยประชาธิปไตยประเทศที่ไม่ตายสมบัติพันธสัญมากมายสิ่งแวนล้อมก็เป็นเจ้าของประเทศดูแลรักษาถ้าเรามีคุณธรรมเกิดขึ้นมามันจะกระเพือไปเกิดความรักขึ้นมาพระพุทธเจ้าเราเป็นยอดนักลักนะ ลักเม็ดหินเม็ดดินเม็ดสายลักสัตว์ช้าลาเสียงลักต้นไม้อย่าไปดูไปดา่าไปทะเลาะวิวาทกันไม่เป็นก็ไม่รำนี่แต่ความเมตตากรุณาสงสารพูดเสียงใดประกอบด้วยเมตตาทำเสียงใดประกอบด้วยเมตตาคิดเสียงใดประกอบด้วยเมตตาตั้งต่อหน้าและลับหลังในทุกสัปเพสิ่งมาสร้างคุณธรรมันนี้ให้เกิดขึ้นมาไม่ต้องมีใครสั่งไม่ต้องไม่ใครบังคับเป็นหน้าที่ของพวกเรา ยิ่งพวกเราเนียมีงานมีการมีลูกศิษย์ลูกหายิ่งต่อหน้าต่อตาเราเป็นครอบเป็นครัวเป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเป็นหลานไม่เพื่อไปเม็ตไปช่วยกันให้เกิดความสงบร่มเย็นอย่าไปทะเลาะไปวาากันไปช่วยกันให้เกิดความอุ่นอกอุ่นใจไปช่วยกันให้อยู่เย็นเป็นสุข เดีก็ช่วยได้จริงๆด้วยกายของเราด้วยใจของเราด้วยการกระทําของเราหาทรัพสมบัติเอาไปช่วยไปพึ่งพาอาศัยได้เก่งๆแล้วประเทศไหนๆก็ไม่เหมือนเมืองไทยเราแม้เราจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามวัฒนธรรมของเราเนี่ยยังดีคนไทยเราเพราะนั้นเราเราชอบคนไทยมากศาสนาพุทธเนี่ยกับคนไทยเนี่ย เหมือนกับเป็นเนื้อเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นเลือดไปเลยแต่เรามาเพิ่มตัวนี้เข้าไปไม่ยากนิดเดียวไม่ต้องเป็นลงทุนลงแทงเราพวกเรามีทุนอยู่แล้วทุนของเราเป็นมีคนไทยเป็นทุนแล้วในคนนั้นทำไงศรัทธามีศาสนามีการกระทําลงไปมีสติลงไปเสริมไม่มากเพิ่มความรู้สึกตัวเข้าไป ก่อนพูดก่อนทำก่อนชิดขอให้เรามาให้ได้ทิศได้ทางมาสร้างมาประกอบนะเคยทำเออเคยพลิกมือเคยยกมือเคยรู้สึกตัวเวลาใดที่มันโกรธกลับมารู้สึกตัวเวลาใดที่มันทุกข์กลับมารู้สึกตัวเวลาใดที่มันหลงกลับมารู้สึกตัวนี่หลักของเรานะอยา่าเพิ่งไปไปพูดไปดูไปได้เวลาใดโกรธรู้สึกตัวเอาไว้เวลาใดมันทุกข์รู้สึกตัวเอาไว้ ให้ความทุกข์มันใหญ่มันโตสร้างหาเหยื่อหาแนวร่วมให้เกิดความทุกข์ความโกรธมากขึ้นกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวเรารู้สึกตัวเป็นตัวเฉลยความโกรธเป็นสังขารความรู้สึกตัวเป็นวิสังขารความทุกข์เป็นสังขารความรู้สึกตัวเป็นวิสังขารวิสังขารเนี่ยไม่ใช่เล็กน้อยเป็นนิพพานเราได้กระแสแห่งนิพพานความรู้สึกตัวเป็นกระแสแห่งพระนิพพาน เริ่มต้นก็คือความรู้สึกตัวท่ามกลางก็คือความรู้สึกตัวที่สุดก็คือความรู้สึกตัวแม้แต่พระอรหันต์คือผู้มีความรู้สึกตัวมีสติเป็นหน้าโลกเหมือนพระเขนศกผู้มีสติเป็นวิ น, นัยนั่นพระอรหันต์เป็นผู้มีสติเป็นวิ น, นัยไม่ใช่เดินเหินบนอากาศ ตาทิพย์หูทิพย์ น, นั้นไม่ใช่ตาทิพย์ก็คือตาภายในของเราเห็นอารมณ์ที่มันจะแทรกเข้ามาตาทิพย์นี่หมายถึงความรู้สึกของเราเห็นอารมณ์เห็นอาการที่เกิดขึ้นกับรูปกรรมนามอาการที่มันเกิดขึ้นกับรูปกรรมนามไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกตาทิพย์น่ยความโกรธเป็นอาการความทุกข์เป็นอาการ ความเจ็บปวดเป็นอาการความร้อนความหนาวเป็นอาการความหิวเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นกับรูปกับนามไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอาการที่มันเกิดอย่างนี้ตกอยู่ในความไม่เที่ยงตกอยู่ในความไม่ใช่ตัวตนไม่ควรไปยึดไปถือยึดถือไม่ได้จริงๆมันจะหลอกความโกรธเป็นอาการไม่ใช่ตัวใช่ตนย่าให้มันหลอก เมื Creator, did, them, no ่อมันเป็นอาการมันก็ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นไม่ควรไปยึดไปถือสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ก็ไม่ควรไปยึดไปถือสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนไม่ควรไปยึดไปถือเราเราเฉลวยเลยเราฉลุงเลยย่อยออกไปเลยเหลือแต่ความรู้สึกตัวเหลือแต่ความรู้สึกตัวเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนที่เป็นอาการที่เกิดขึ้นกับรูปกํานาม ที่เกิดขึ้นกับกายกับใจของเราลู่เท่านี้ก็พอแล้วไปสู่มรรคสู่ผลได้ผู้ใดเจริญอยู่ในไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจของเราเอียงไปไหลไปสู่มรรคสู่ผลเหมือนน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่าถึงทะเลทุกหยด่างน้าลำะเทาเราก็ไหลถึงทะเลมหาสมุทร ว่ามันเป็นนยคนผู้เจริญในสติเห็นต่ลักเข็นอาการที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเอียงไปไหลไปสู่พักสู่ผลจเจริญอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้มรรคผลก็คือไม่ไม่มีปัญหาจบแล้วหยุดแล้วเย็นแล้วเน่งแล้วไม่มีอะไรเรื่องของกิตของใจเป็นเรื่องที่พึ่งพายัสได้ เรื่องของกายเป็นเรื่องทำเอากายเอาใจมาทําความดีแล้วทําความดีได้สำเร็จเอามาเป็นที่พึ่งจะว่าความดีเป็ น, ปนทิพย์พึ่งได้ความเย็นเป็นที่พึ่งได้ความไม่ปรุงไม่แตง่งความไม่เป็นอะไรเนี่ยมันมีกระแสอย่างนี้การศึกษาการปฏิบัตินะไม่ใช่เราคันเดีอวไปมอบให้ใครที่ไหน เป็นเรื่องของเราการตัดสู่ของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของเราทุกคนเป็นสาธารณะแล้วความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นมันเป็นของส่วนรวมไม่ใช่ส่วนตัวแต่เรามีความรู้สึกตัวเป็นส่วนรวมเป็นความสงบเป็นความอบอุ่นในส่วนรวมเราจึงมาสร้างตัวนี้ขึ้นมา จะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆขอให้เรามาสร้างให้มันมีให้มันมากมันก็มีโอกาสมีมากได้จริงๆสิบจังหวะนะพอดีพอดีเลยเรียกว่าบับพระภาษาบาลีเรียกว่าบับพระภาษาที่เราพูดกันเข้าใจเป็นภาษาบ้านแล้วเรียกว่าจังหวะแต่และจังหวะนีนะ่อาจจะเป็นวินาทีหนึ่งลู่ทีหนึ่งนะ วินาทีหนึ่งลู่ทีหนึ่งวินาทีหนึ่งลู่ทีหนึ่งไม่แต่หายใจเข้าหายใจออกวินาทีหนึ่งหายใจทีหนึ่งเข้าหายใจออกก็ลู่ทีหนึ่งลู่ทีหนึ่งมันมีโอกาสที่จะมีมากได้พาวิตาพาลีกัตตาทำให้มากเกลื่อนให้มากเป็นมหาลู่ถ้ามันลู้ม า, างๆมันจะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ไม่ใช่เหตุใช่ผลเป็นการกระทำมาพิสูจน์กันลองดู มันรู้สึกตัวมากมากมากมากไม่หลงไม่หลงหนึ่งวันหนึ่งวันสองวันมันจะเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นแหละเรียกว่ากรรมฐานได้ว่าเหตุผลในการตัดเชขอ้อโพระเจ้าอริยสัจสีไม่แต่เหตุกับผลไม่ที่เหตุกั บ, ห, กบหรือว่ามรรคผลมรรคผลการสร้างสติเป็นมรรคถ้ามีสติเป็นผลทันทีเลย ทันทีเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันมีมากมีมากแต่เรามาถามเราดูมาดูตัวเราตั้งแต่วันเกิดมาถึงวันนี้ความรู้สึกตัวกับความหลงอันไหนมันมากกว่ากันอันไหนมันมากกว่ากันดูตัวเราถ้าเรามาดูแล้วโอ้โหความหลงมันไม่มากเหลือเกินก็ตื่นเลยลุ้นที่จะใช้ความรู้สึกตัวก็โตเราอยู่กับความหลง ความหลงมันเกิดได้หลายอย่าง otal, ทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสชินเสียงอ่าพอมารู้จักตัวพอมาสร้างความรู้จึกตัวเนี่ยคนหัวลุกมันหลุดไปได้ยังไงชีวิตของเรามันอยู่ที่ไหนอ่ามันอยู่ที่ไหนขยันแล้ววนะเก็บเอาเก็บเอาวนคนก็ะหึก็ะหอไม่เคยมีอะไรไม่เก็บเอาเก็บเอาผมขอเทียน ท่านสอนรู้หลวงพ่อเทียนตรงไหนไม่เคยมีใครมาสอนให้มีความรู้สึกตัวหลวงพ่อเทียนบอกว่าพล็กมือขึ้นดูรู้ไหมยกดูซิรู้ไหม ร, หมรู้ให้คนสร้างตัวเนี้นะให้มันรู้สึกตัวเนี่นะโอ้ยพอใจเลยไม่ต้องไปคิดหาเหตุนาะผลอะไรโอ้พล็กมือขึ้นรู้ยกมือขึ้นรู้เคลื่อนไหวมือรู้โอ้ขมรู้สึกตัวขมรู้สึกตัว เราเดินลองดูก็ลู่สึกตัวเดินลองดูก็ลู่สึกตัวโอ้มาลู่จักหลงโพเทียนตอนนี้พอใจเลยทีเดียวแต่ก่อนไม่ได้บอกแค่นั่งหลับตาสงบเราก็สงบสงบเราบางทีก็เกิดในเม็ดกลายเป็นหมอสม่ไมก่อนนะนั่งหลับตาสงบลราเป็นหมอศย์ศาสตร์ไปเลยมองเม็ดเหมือนปลิวมันใบหญ้านะใช่ไมก่อนมีการถ่ายอะไรเอ้มีคาถาด้วย ไล่ผีด้วยใช่ไหมก่อนนะฮะมันไปไปทางนั่นไปทางนั้นกิเลสความโกรธความโลภความหลงยังมีมากแต่ว่ามันไปแบบนั่นเลยโอ้อมไเจอหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนสอนให้รู้จักตัวโอ้เราไม่เคยรู้ตัวนี่เลยพอไมีความรู้จักตัวเห็นอะไรต่างๆแล้วมันีอะไรที่มันเกิดขึ้นข้างกายมันคิด เ, เห็นความคิดตัวเองแต่ก่อนไม่เคยเห็นความคิดไม่เคยแก้่ความคิดตัวเอง ลอยเลยจะคิดอะไรก็สายารลน่ะคิดบ้าๆบอได้ทั้งนั้นบัดนี้พอมามีความรู้จักตัวจัดสรรความคิดตรงนี้หยุดเหมือนเรามีทีวีพอมันจัดรายการออกไวเราปิดได้แต่ก่อนปิดไม่เป็นนะความคิดเน่กลางคืนหาเรื่องมาคิดคิดจะนอนไม่หลับมีไหมโออาจารย์มีไหมเมื่อกะอ่ะมันลักคิดใช่ไหมไม่ได้ตั้งใจเลย ปิดเป็นไหมบ่เนี้ยจะปิดเป็นไหมปิดเป็นไหมเราต้องเป็นเนาะต้องเป็นเราบ่เนี่ยมันรายการไม่ดีมันออกมาจากถ้าจะว่าเรามันเป็นการฉายออกมารายการที่มันแสดงมาเนี่ยนอนไม่หลับเพราะความคิดตัวเองบางทีคิดขึ้นมาน้ําตาไหลมีไหมหลวงพ่อเนี่มีบางกันมา <laughs> คิด ต่อตัวเองแล้วนี่ปิดได้แล้วมันต่อไม่ปิดเป็นแล้วมันีป้ปิดแล้วปิดแล้วเป็นทุกข์เพราะความคิดตัวเองหลงเพราะความคิดตัวเองคิดขึ้นมาลุกหนีไปเลยนอนอยู่กับลูกก็มีอดีๆคิดขึ้นมาเราพอใจไม่พอใจหยุดจริงๆเลือยได้หยุดจริงๆเรื่องของความคิดจะมาบังคับกับใส่เราไม่ได้เราต้องจัดการกับตัวเรานี่คือปฏิบัติได้หลักจริงๆนะเนาะนี่ก็พูดให้ฟัง ไม่ได้ไม่ได้สอนนะบางอย่างก็สอนบางอย่างก็พูดให้ฟังสิ่งที่พูดในสัมผัสได้เพราะมันเป็นเรื่องของเราพูดเรื่องกายเรื่องจิตใจของเราพ่อก็ไปพุทธมนตรไปสอนธรรมะมันกันในครูมันกันมสามสิบกคนก็จะจบวันวันที่30สิบแล้วก็จะต่อไปอีกถึงวันที่ห้ามีอีกกลุ่มหนึ่ง ยเออเรากลับมาในก่อนที่ั่งก็มีเพื่อนมีพระช่วยกันอยู่ก็อยากมาพบกับอาจารย์บ้านเราหลวงพ่อก็เป็นคนเฉยภูมิเราก็เป็นคนเฉยภูมิอยู่ด้วยกัน